คราวที่แล้วเราก็ได้ฟังมาถึงตอนที่พระเรวตะออกจาริกสแสวงหาสถานที่ในการบาเพ็ญธรรมโดยมีผู้ติดตามอีกหนึ่งคนคือจุลพลขณะนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้นั่นเองก็มีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อวินทุ ก, กะได้เข้ามาพักและขอสนทนาธรรมกับพระเรวตะด้วยวินทุ ก, กะนั้นมีความตั้งใจแต่เดิมไว้แล้วว่า จะต้องหาโอกาสเข้าเฝ้าพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเขามีปัญหามากมายที่จะสนทนาด้วยคันไม่ได้มาพบกับพระเร ว, วัตตะซึ่งเป็นสาวกของพระสมณโคดมโดยบังเอิญเช่นนี้จึงนับว่าเป็นความโชคดีของเขาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้หนปับันนี้ค่ะ จ้องมองดูข้าพเจ้าด้วยท่าทีที่เคร่งเครียดแล้วกล่าวว่าวินทุกกะเจ้ายัางไม่รู้เลยว่าวิชาที่เจ้าจะเรียนคืออะไรมีความดีอะไรบ้างแค่ไหนเล่าแล้วจึงจะมายินดีรับอาสาปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกอย่างเล่าข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้นเสียท่าแก่ท่านอาจารย์เสียแล้วจึงได้แต่ ก, ก้มหน้านิ่งอยู่วินทุ ก, กะเอ้ยเอาเถอะ ถ้าเจ้าตั้งใจจะเรียนจริงๆเราจะบอกให้เราเห็นว่าเจ้าเป็นสิบเพียงคนเดียวที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จึงจะขอบอกวิชานี้ให้วิชานี้เรียกว่าสัพพิสิทธิมนต์ผู้ใดได้เรียนวิชานี้ผู้นั้นได้ได้สิ่งที่ตนมุ่งประสงค์ทุกประการแม้จะปรารถนาเอาสมบัติทั้งปวงในโลกหรือแม้แต่ทิพยะสมบัติของเท้าส ก, กัดเทวราช ก็จะสำเร็จได้ดังมุ่งหมายเราจะให้วิชานี้แก่เจ้าถ้าเจ้ายินดีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของเราเมื่อได้ยินความวิเศษของสรรพสิทธิทมนข้าพเจ้าก็เกิดความอยากเรียนขึ้นมาอย่างรุนแรงทีเดียวท่านสมณะข้าพเจ้าออกปากรับกับท่านอาจารย์ทันทีว่ายินดีจะรับปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการดูก่อนวินทุ ก, กะ เจ้ายัางไม่ฉลาดพออยู่นั่นเองท่านอาจารย์ต่อว่าข้าพเจ้าอีกคนที่เขาฉลาดเขาจะไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆจนกว่าจะรู้เสีย ก, ก่อนว่าเงื่อนไขนั้นมีความยากง่ายแค่ไหนข้าพเจ้ารู้สึกว่าตนได้เสียท่าแก่อาจารย์อีกเป็นครั้งที่สองจึงนั่งนิ่งอยู่ด้วยความขุยอายแต่แล้วก็กล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าได้ตัดสินใจแล้ว ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆเพื่อแลกเอาบนวิเศษนั้นถ้าเงื่อนไขนั้นจะต้องเสี่ยงอันตรายจนเจ้าอาจจะถึงแก่ชีวิตเล่าเจ้าจะยอมปฏิบัติไหมท่านอาจารย์เว้นระยะนิดหนึ่งแล้วก็กล่าวต่อไปโดยไม่คอยให้พระเจ้าตอบคำถามของท่านวินทุ ก, กะเอ๋ยในโลกนี้ชีวิตของเจ้ามีค่าสูงสุดทรัพสมบัติทั้งหลาย ก็มีค่าก็เพราะเจ้ายัางมีชีวิตถ้าเจ้าตายไปเสียแล้วแม้จะมีทรัพย์กองอยู่เต็มแผ่นดินทรัพย์เหล่านั้นก็หามีประโยชน์ไม่เอาละ่ะเราจะบอกเงื่อนไขให้ขอให้เธอเดินทางท่องเที่ยวไปในโลกว่างสืบถามดูตามบ้านน้อยเมืองใหญ่ให้ทั่วไปว่ามีใครบ้างที่กล้าประกาศแก่โลกว่าข้าพเจ้ามีความสุขสมบูรณ์แล้ว ถ้าเธอพบบุคคลเช่นนั้นให้เข้าไปหาเขาและมอบตัวเข้าเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่กับเขาตลอดเวลาสามเดือนถ้าตลอดเวลาสามเดือนนั้นเจ้ายังเห็นบุคคลนั้นมีความสุขสดชื่นอยู่ตลอดเวลาไม่มีอาการแสดงว่าเป็นทุกข์เลยแม้แต่น้อยขอให้กลับมาบอกเราแล้วเราจะบอกสรรพสิทธิทมนให้แต่ถ้าเจ้าอยู่กับเขาไปชั่วระยะววันหนึ่งหรือสองวันแล้ว เขาแสดงอาการเป็นทุกข์ออกมาให้ปรากฏเจ้าจงนี้จากเขาไปเสียแล้วก็แสวงหาคนอื่นต่อไปเงื่อนไขมีเพียงเท่านี้เจ้าจะปฏิบัติตามได้ไหมท่านสมณะข้าพเจ้ารับเอาเงื่อนไขของท่านอาจารย์แล้วก็กราบลาท่านเดินทางท่องเที่ยวไปตามนิคมชนบทต่างๆหรือไปถึงแห่งใดก็เข้าไปสืบถามดูว่ามีใครบ้างในบ้านนี้ประกาศว่า ข้าพเจ้ามีความสุขแล้วถ้าพบข้าพเจ้าก็จะขออยู่อาศัยรับใช้เขาในเวลาเดียวกันก็คอยจ้องจับตาดูว่าเขามีความสุขจริงหรือไม่ถ้าพบว่าเขามีความสุขจริงก็อยู่กับเขาหลายวันแต่ในที่สุดเขาก็แสดงความทุกข์ออกมาให้เห็นข้าพเจ้าก็อำลาเขาไป ดูก่อนวินทุกะรู้สึกว่างานของท่านเป็นงานน่าสนุกสนานดีขนาดที่ชาวโลกสแสวงหาทรัพย์สแสวงหายศแสวงหาอำนาจสแสวงหาบริวารท่านกลับสแสวงหาคนผู้ประกาศตนว่ามีความสุขแล้วท่านพบคนที่มีความสุขจริงๆตลอดสามเดือนดังที่กล่าวมาแล้วหรือยังยังเลยท่านสมณนะข้าพเจ้าได้พบกับเศรษฐี เครื่องหาบดีเป็นอนเนกผู้มีทรัพย์นับด้วยโกฎอยู่ในปราสาทเจ็ดชั้นมีช้างมา้าและแม่โคโนมเป็นจำนวนร้อยมีบริวารเป็นจำนวนพันและประกาศว่าตนมีความสุขแต่เมื่อข้าพเจ้าไปอยู่ใกล้ชิดแล้วก็ได้พบว่าเขาเหล่านั้นหามีความสุขไม่เขาอาจจะไปไหนมาไหนด้วยยานอันวิจิตรเทียมด้วยมา้าอาจจะบริโภคอาหารอันประณีต อาจจะนอนบนเตียงอันสูงใหญ่ปูลาดด้วยหนังชมดอาจจะมีข้าทาสบริวารคอยกระทำตามคําสั่งแต่สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดข้าพเจ้าพบว่าเป็นแต่ความสะดวกเท่านั้นแต่ไม่ใช่ความสุขคนมีทรัพย์มากอาจได้ความสะดวกในการดํารงชีวิตแต่ไม่ใช่ความสุขแท้เพราะข้าพเจ้ายังเห็นเขาหัวเสียเป็นทุกข์ร้อนใจ พ่นเพล่มค่ำควรอยู่เป็นครั้งคราว ท, ทั้งทั้งที่ได้รับความสะดวกทุกประการข้าพเจ้าได้พบกับนักบวชทุกชนิดเช่นปริภาชกเชดินนิคนเป็นตน้นผู้ประกาศตนว่าเป็นผู้ดำเนินชีวิตอิสระไม่เกี่ยวเกับกับความยุ่งเหยิงของโลกใช้เวลาในการบำเพ็ญตบะแบบต่างๆเป็นผู้มีอาภาธน้อยมีความปรารถนาน้อยแต่ครั้นข้าพเจ้า ไปฝากตัวเป็นศิษย์อยู่ด้วยอย่างใกล้ชิดก็ได้พบว่านักบวชเหล่านั้นมีแต่ความสบายกายสบายใจเพราะไร้สิ่งกังวลเท่านั้นยังไม่มีความสุขแท้เพราะท่านเหล่านั้นยังมีความปรารถนาต่อทิพะยะสมบัติในสวรรค์กระหายดิ้นรนเพื่อจะให้ได้ทิพะยะสมบัติอันเลอเลิศนั้นท่านเหล่านั้นเปรียบเสมือนคนยากจนเขินใจไร้ทรัพย์และปรารถนา อยากจะมีทรัพย์อย่างแรงกล้าแม้เมื่อไม่สามารถจะหาได้ในปัจจุบันก็ฝากความหวังไว้กับอนาคตจึงออกบวชเป็นบันพระชิตบำเพ็ญตะบะธรรมแบบต่างๆเพื่อสมบัติอันเป็นทิพย์ในสวรรค์ พระเจ้าได้พบกับพระราชามหากษัตริย์หลายพระองค์ผู้มีทรัพย์มากมียศมีอำนาจมีบริวารมากพระราชาเหล่านั้นในยามว่างจากศึกย่อมใช้ชีวิตอยู่ในพระราชวังสเสวยพระกรยาหารอันมีรสเลิศสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ด้วยการไร้รำของหญิงนักฟ้อนรำด้วยเพลงขับและดนตรีอันไพเราะของนักดนตรีและนักร้องด้วยมหัรสพ มีประการต่างๆที่เขาจัดขึ้นภายในพระราชวังพระราชาเหล่านั้นในตอนกลางวันก็สแสวงหาความสนุกเพลิดเพลินกับการออกป่าล่าสัตว์ทอดพระเนตกกีฬาต่างๆมีมวยปล้ำเป็นต้น ข้าพเจ้าพิจารณาดูละเอียดแล้วเห็นว่าพระราชามาหากษัตริย์เหล่านี้มีเพียงความสนุกแต่ยังไม่ได้ความสุขที่แท้จริงท่านสมณะข้าพเจ้าเดินทางท่องเที่ยวมาโดยวิธีนี้เป็นเวลาสามปีเต็มแล้วแต่ไม่พบใครเลยที่มีความสุขสมบูรณ์ตามที่ตนประกาศสิ่งที่เขาประกาศว่าเป็นความสุขนั้นเมื่อเอาเข้าจริงๆกลับเป็นเพียงความสะดวกความสบาย และความสนุกเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอยากจะพบกับพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เขาเล่าลือกันนักหนานั้นแต่ข้าพเจ้าเกร ง, งว่าจะผิดหวังอีกท่านในฐานะที่เป็นสาวกของพระองค์พอจะยืนยันกับข้าพเจ้าได้ไหมว่าพระสมณะโคดมมีความสุขจริงอัตมาขอยืนยันว่าพระองค์มีความสุขจริง ใบหน้าของวินทุ ก, กะดูแจ่มใสขึ้นด้วยความหวังเขายิ้มอย่างอิ่มเอ็มใจแล้วจึงถามว่าท่านสมณะแล้วท่านเองเล่ามีความสุขที่แท้จริงแล้วหรือยัง เจ้ารู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้างที่ถูกวินทุกะถามด้วยปัญหาเช่นนั้นเพราะตามความจริงนั้นเข้าไปเจ้าอย่างเป็นปุถุชนชีวิตยังมีความทุกข์ครั้นจะตอบว่ามีความสุขแล้วก็จะผิดจากความจริงครั้นจะตอบว่ายัางไม่มีความสุขเขาก็จะดูถูกดูหมิ่นเอาได้ว่าเสียแรงที่เป็นสาวกของพระองค์พระบรมศาสดาผู้มีความสุขอันแท้จริงแล้ว แต่กลับยังไม่มีความสุขแท้จริงอย่างพระบรมครูในที่สุดข้าพเจ้าก็เลยตอบเข้าไปตามความเป็นจริงว่าดูก่อนวินทุกะอตาตมา ย, ยังปฏิบัติเพื่อบ ร, รุสู่ความสุขอันแท้จริงแม้จะยังไม่บรรลุถึงขั้นนั้นแต่อตาตมาก็ทราบว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรและทราบทางปฏิบัติเพื่อบ ร, รุ ถ, ถึงสุขที่แท้จริงนั้นด้วย วินทุกะยิ้มอย่างพอใจแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญอย่างน้อยที่สุดข้าพเจ้าก็จะได้ทราบในวันนี้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคืออย่างไรเพราะปัญหานี้ข้าพเจ้าเองก็ยังไม่ทราบคนอื่นๆก็ยังไม่ทราบส่วนมากเข้าใจกันว่าความสะดวกความสบายความสนุกเป็นความสุขในที่สุดก็ได้แต่สะดวกสบายสนุกแต่ไม่พบความสุข ขอท่านได้โปรดบอกข้าพเจ้าด้วยว่าความสุขคืออะไรดูก่อนวินทุกะถ้าอาตมาจะบอกว่าความสุขคืออะไรตามตรงอาจจะเป็นการยากที่จะให้ท่านเข้าใจเพราะเรื่องของความสุขเป็นเรื่องละเอียดลึกซึง้งเพราะฉะนั้นอาตมาขอย้อนถามท่านก่อนว่าท่านเห็นอย่างไรจงตอบอย่างนั้นถ้าสมมุติว่ามีคนคนหนึ่ง นำเอาผ้าเปลือกเปลือนไปด้วยมูดคูดและสิ่งสกปรกทั้งหลายมาให้ท่านดูท่านจะทราบได้ไห ม, ว, งงงง ว, มว่าผ้านั้นสกปรกวินทุกะจ้องดูข้าพเจ้าอย่างงงๆและตอบว่าทราบสิท่านผู้เจริญใครๆก็ย่อมจะต้องทราบโดยง่ายว่าผ้านั้นสกปรกเอาละเมื่อผ้านั้นสกปรกและท่านทราบว่ามันสกปรกก็เพราะมันมีความสกปรกอยู่ในนั้นใช่ไหม ใช่สิวินทุกะตอบยังมีท่าทางมุนงงอัตมาขอถามต่อไปว่าในผ้าที่สกปรกนั้นจะมีความสะอาดอยู่หรือไม่ไม่มีหรอกท่านผู้เจริญเพราะมันเป็นผ้าที่มีแต่ความสกปรกเป็นอันว่าผ้าผืนนั้นมีความสกปรกเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกแต่จะมีวิธีใดบ้างหรือไม่ที่เราจะสามารถนําเอาความสะอาด ไปเทใส่ผ้าผืนนั้นแล้วมันจะกลายเป็นผ้าสะอาดขึ้นมาท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นว่าไม่มีทางที่จะทําให้ผ้านั้นสะอาดขึ้นมาโดยเอาความสะอาดไปเทใส่แต่เราอาจจะทําให้มันสะอาดขึ้นมาได้โดยนํามาไปซักล้างด้วยน้ําจนสิ่งโสโครกทั้งหลายหมดไปแล้วความสะอาดก็จะเกิดมีขึ้นเองโดยไม่ต้องนําเอาความสะอาดมาใส่ ดูก่อนวินตุ ก, กะถ้าอย่างนั้นความสะอาดก็คือภาวะที่มีความโสกครกนั่นเองเพราะเมื่อเรานําเอาสิ่งโสโครกออกความสะอาดก็เกิดขึ้นถ้าเรานําเอาสิ่งโสโครกไปใส่ผ้าผ้านั้นก็โสกปรกความสะอาดก็หายไปเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะมีความเห็นอย่างไรท่านเห็นว่าความโสกปรกกับความสะอาดอย่างไรมีตัวตน เห็นได้ชัดกว่ากันข้าพเจ้าเห็นว่าความสกปรกมีตัวตนเห็นได้ชัดกว่าเราอาจจะนําไปใส่ผ้าได้และอาจจะนําออกได้ด้วยมือของเราส่วนความสะอาดนั้นแม้จะมีอยู่ก็ไม่มีตัวตนเห็นได้ชัดเราจะนําเข้าใสา่หรือนําออกไปด้วยมือไม่ได้ถูกแล้ววินทุกะท่านเห็นถูกต้องแล้ว ความสุข ก, ก, กับความสะอาดเป็นเช่นใดความสุขกับความทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นความทุกข์เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเราอาจจะเห็นได้ทั่วไปเราอาจจะสร้างขึ้นได้และทำลายเสียได้ส่วนความสุขนั้นมีลักษณะเหมือนกับความสะอาดคือไม่มีตัวตนนำเข้านำออกไม่ได้แต่อาจจะเกิดมีขึ้นเองเมื่อเรากาจัดทุกข์ให้หมดสิ้นไปเพราะฉะนั้น อาตมาจึงขอตอบปัญหาแรกของท่านว่าความสุขก็คือภาวะที่ปราศจากความสกปรกวินทุกะพงศ์ศีษะขึ้นลงเป็นทํานองว่าเห็นด้วยกับทัศนะของข้าพเจ้าแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านผู้เจริญคำตอบของท่านแจ่มแจ้งชัดเจนและถูกต้องตามความเป็นจริงทีเดียวท่านตอบคำถามของข้าพเจ้าด้วยอุปมาอุปไมยอัญชานฉลาด ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักรูปรางหน้าตาของความสุขเป็นครั้งแรกเอาละข้าพเจ้าจะเรียนถามท่านต่อไปก็เมื่อความสุขเกิดขึ้นเองในเมื่อเวลาทุกข์ดับไปเหมือนความสะอาดเกิดขึ้นในเมื่อความสกระปุกหายไปเราไม่สามารถจะสร้างความสุขขึ้นมาได้หน้าที่ของเราก็คือการดับความทุกข์พยายามล้างความทุกข์ให้หมดสิ้นไปอย่างนั้นใช่หรือไม่ ถูกแล้ววินทุขาท่านไม่ต้องพวักพวงถึงความสุขไม่ต้องสร้างความสุขไม่ต้องแสวงหาความสุขพยายามดับความทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นเมื่อท่านดับความทุกข์ได้ความสุขก็จะมีมาเองอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงคนส่วนมากเพราะข้าที่ไม่รู้จักความสุขจึงพยายามสร้างความสุขขึ้นมาโดยไม่ดับความทุกข์เลยเป็นการเพิ่มภูมและถมความทุกข์ ขึ้นมาเรื่อยๆเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการให้ผ้าสะอาดแต่ไม่รู้วิธีที่จะซักฟอกจึงไป น, นำสิ่งต่างๆมาพับถมพอกพูนเพื่อให้ผ้ามันสะอาดแต่มันก็หาได้สะอาดไม่ฉะนั้นทางที่ถูกเราต้องพยายามดับทุกซักล้างความทุกข์ออกจากตัวเราแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นเอง สมณะจะมีวิธีการซักล้างความทุกข์ได้อย่างไรบ้างจะใช้อะไรในการซักล้างความทุกข์ออกไปจากตัวเราดูก่อนวินทุกะความสกปรกของผ้าเกิดจากการเปือเป้อนด้วยมูดคู่ชั้นใดความทุกข์ของคนเราก็เกิดจากการเปือเป้อนด้วยสิ่งสกปรกชันนั้นสิ่งสกปรกอันเป็นเหตุให้คนเราประสบทุกข์มีสามประการคือ ความชั่วทางกายทางวาจาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หนึ่งกิเลสและความชั่วทางจิตอันเป็นเหตุให้จิตสกปรกหนึ่งความโมง่เขลาไม่รู้ความจริงอันเป็นเหตุให้หลงยึดถือหนึ่งดูก่อนวินทุ ก, กะความสกปรกทางกายวาจาคืออะไรคือกายทุจริตสาอันได้แก่การฆ่าสัตว์การรักทรกัพย์และการประพฤติผิด ประเวณีเกี่ยวกับการความโสกครกทางวจีมีอยู่สี่คือการพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อนี้เรียกว่าความโสกปรกทางกายวาจาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ประการหนึ่งก่อนอื่นเราต้องชำระล้างความโสกปรกนี้ออกไปจากตัวเราท่านสมณะเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องชำระล้างความสโครกประเภทนี้ พริบรมศาสดาของเราส่งแนะนําให้เรารักษาศีลคือตั้งวิรัตเจตนาคือความตั้งใจที่จะงดเว้นจากความชั่วเหล่านี้ถ้าเรางดเว้นได้ไม่กระทําความชั่วเหล่านี้เราก็บริสุทธิ์สะอาดทางกายทางวาจาเมื่อกายวาจาของเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นเองเป็นคําตอบที่มีเหตุผลหลักแหลมมากท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้ายังไม่เคยได้ยินได้ฟังจากใครมาก่อนเลยกิเลสและความชั่วทางจิตอันเป็นความสกปรกทาง จ, จิตใจเล่าเราจะชำระล้างได้ด้วยอะไรดูก่อนวินตุ ก, กะความชั่วทางกายวาจาเราชำระได้ด้วยการควบคุมกายวาจาฉันใดเราก็อาจจะชำระความชั่วทางใจด้วยการควบคุมใจฉันนั้นกิเลสทั้งหลายมีความโลภ ความใคร่ความโกรธความหลงเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นเมื่อประสบกับวิสภาคารมณ์เครื่องลบเลาเช่นตาเห็นรูปงามย่อมเกิดความรักใคร่เป็นต้นบุคคลที่ไม่สำรวมระวังอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจปล่อยแห้ตวานเหล่านี้รับอารมณ์ตามชอบใจกี้เหรทั้งหลายย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นมาก เพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราจึงทรงสอนให้สำรวมอินทรีย์เป็นอันดับแรกเมื่อสำรวมอินทรีย์ดีแล้วกิเลสทั้งหลายย่อมเกิดน้อยเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่มีความรู้ตัวปล่อยมันไปอย่างเสรีกิเลสย่อมมีกำลังรุนแรงขึ้นเป็นความชัว่วทางใจเช่นคิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขาคิดพยาบาทปองร้ายเขา เห็นผิดจากทำนองครองธรรมเป็นต้นเปรียบเหมือนโจรที่เข้าประตูไปลักทรัพย์ในบ้านถ้าที่ประตูไม่มียามค้อยห้ามปรามไว้โจรย่อมเข้าไปทําทุจริตได้ตามสบายอะไรเล่าคือยามสําหรับคอยรักษาประตูใจไม่ให้กิเลสกําเริเบยามของใจก็คือสติความตื่นตัวไม่เผลอและสัมปชัญญะความรู้ตัวนั่นเอง คนมีสติสัมปชัญญะแก่กล้าเมื่อกิเลสเกิดขึ้นจะรู้ว่ากิเลสเกิดและหาทางระงับยับยังไว้เพราะเหตุนี้พระปรมาสต์สดาของเราจึงส่งแนะนำสั่งสอนให้ฝึกสติสัมปชัญญะโดยวิธีเจริญสติปัฏฐานสประการคือกำหนดรู้การเคลื่อนไหวของกายทุกระยะกำหนดรู้เวทนาในจิตทุกระยะกาหนดรู้การเคลื่อนไหว ของจิตทุกระยะกำหนดรู้คุณภาพของจิตทุกระยะนี้เป็นขั้นที่สองเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วมโนทุจริตเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องละเสียด้วยการฝึกข่มจิตให้สงบระงับแน่วแน่มีอารมณ์เดียวมั่นคงหลังจากนั้นกิเลส ต, ต่างๆก็จะระงับลงจิตใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ความสุขก็จะเกิดขึ้น ผู้เจริญช่างเป็นวิธีที่แยบขายอะไรเช่นนั้นข้าพเจ้าเกิดความเลื่อมใสในวิธีชำระกายใจของท่านขึ้นมาเสียแล้วข้าพเจ้าจะปฏิบัติวิธีระงับทุกเหล่านี้อย่างแน่นอนความโศกรกปกประการที่สามคือความโง่เขลาไม่รู้ความจริงอันเป็นเหตุให้หลงยึดถือเราท่านผู้เจริญเรามีวิธีการชำระลางอย่างไรอวิชชาหรือความโง่เขลา ไม่รู้ความจริงเป็นความสกรปรกของจิตใจอย่างละเอียดลาพังศีลอินสีทั้งวรสติสัมปัญญะและสมาธิไม่สามารถจะชําระล้างอวิชชาได้สิ่งที่จะชําระล้างอวิชชาได้ก็คือปัญญาหรือความรอบรู้สิ่งต่างต่างตามความเป็นจริงเราต้องพยายามสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยการฟังด้วยการคิดพิจารณาและด้วยการภาวนา ถ้าเราทําดังนี้อยู่เสมอเราจะทราบความจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราของเขาเมื่อรู้ความจริงเช่นนี้ความโง่ก็หายไปหลังจากนั้นเราจะไม่หลงยึดหลงถืออะไรอีกเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามสภาพธรรมของมันจิตใจของเราก็ไม่หวั่นไหวจิตใจของเราก็สะอาด บริสุทธิ์และมีความสุขเป็นอันสรุปได้ว่าความสกปรกทางกายทางวาจาทางใจทำให้เกิดทุกข์ถ้าเราล้างความสกปรกทางกายวาจาออกเสียได้ด้วยศีลล้างความสกปรกทางใจออกเสียได้ด้วยอินทรสังวรสติสัมพัญญะและสมาธิล้างความสกปรกแห่งสันดานออกเสียได้ด้วยปัญญาเราก็จะบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากสิ่งโสกปรกเหลือแต่กายวาจาใจที่สะอาดหลังจากนั้นความสุขอันบริสุทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นเองบุคคลเช่นนั้นย่อมสามารถที่จะประกาศให้โลกทั้งมวลได้ทราบได้ว่าข้าพเจ้ามีความสุขอันสมบูรณ์แล้วอย่างเต็มที่อัสจรรรจิงท่านสมณนะอาสจริงข้าพเจ้ายัางมีได้บรรลุถึงความสะอาด ทางกายวาจาและใจยังไม่บรรลุถึงความสุขแต่ข้าพเจ้าก็เห็นด้วยอย่างเต็มที่ว่าทางดับทุกข์ของท่านเป็นทางอันประเสริฐสามารถนำไปสู่ความดับทุกข์ได้จริงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอมอบตัวเป็นสิทธิของท่านขอนับถือท่านเป็นสารณะที่พึ่งทางใจตลอดไปอย่าเลยวินทุ ก, กะคาพูดทั้งหมดที่อาตมาบรรยายมานั้น หาใช่ความคิดเห็นของอาตมาไม่แต่เป็นพระโอวาทของพระบรมศาสดาพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้บรมครูของอาตมาขอท่านจงน้อมใจถึงพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งเป็นที่ร ล, ลึกเถิด ท่านผู้มีอายุวินทุกะได้เปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็กล่าวคำอำมลาเพื่อเดินทางต่อไปอยังพระนครราชคฤตเพื่อเยี่ยมญาติและเพื่อศึกษาพระธรรมพระวินัยเพิ่มเติมจากสำนักของพระเทวทัตมหาเตระเจ้า ตามคำแนะนำของข้าพเจ้าฝ่ายจุลพลก็เกิดความประสงค์ที่จะไปกรุงราชคลึขึ้นมาบ้างจึงกล่าวคำอมลาข้าพเจ้าเพื่อร่วมเดินทางไปกับวินทุกะข้าพเจ้าดีใจมากที่เขาเปลี่ยนใจได้เพราะถ้าเขาเดินทางไปกับข้าพเจ้าเขาจะต้องลำ บ, บากมากข้าพเจ้าได้เทศนาให้หนุ่มทั้งสองฟังยังเขาให้ล่าเริอนในธรรมปฏิบัติแล้ว เขาทั้งสองก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่นครราชครึ่ฝ่ายข้าพเจ้าเมื่อพักผ่อนจนพอแก่ความต้องการและเห็นว่าพระอาทิตย์บ่ายคล้อยมากแล้วมีรัศมีและความร้อนอ่อนลงแล้วจึงออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเมืเ่อเวลาจนค่ำพระอาทิตย์ลับแนวไม้ลงไปแล้วข้าพเจ้าได้มาถึงหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่ง ริมฝั่งแม่น้ำสลัด ส, สวัสดีข้าพเจ้าตัดสินใจว่าจะพักค้างคืนที่หมู่บ้านนี้น่าัยเป็นที่บินทบาทในตอนเช้าก่อนจะออกเดินทางต่อไปสงสนานร่างกายที่แม่น้ำเสร็จแล้วก็เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านและได้ถามชาวบ้านว่ามีที่สําหรับให้สมณะผู้จรมาพักบ้างหรือไม่เพราะตามปกติตามหมู่บ้านทั่วไป ทุกแห่งในมคติรัฐเขาย่อมสร้างศาลาพักไว้สำหรับคนเดินทางที่ตลาดหมู่บ้านเมื่อเขาบอกว่ามีจึงได้เดินตรงไปยังที่ศาลาที่เขาแนะนำแต่นับว่าเป็นคราวโชคไม่ดีเพราะบทศาลามีคนพักอยู่ก่อนแล้วจนแน่นขนาดหาที่ว่างไม่ได้เลยข้าพเจ้าจึงถามชาวบ้านว่ามีสถานที่ใดอีกหรือไม่ที่สมณะ พอจะอาศัยพักค้างคืนได้เขาแนะนำว่าทางทิศเหนือของหมู่บ้านมีอารามอนันนาเรื่มรมแห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัญญาศีผู้สละเพศคารวะออกหาความสุขสงบในบานปลายของชีวิตข้าพเจ้าจึงตัดสินใจไปขออาศัยพักด้วยทันที เข้ามาถึงอารามของพวกสัญญาสีดังกล่าวก็พบว่าเป็นสถานที่น่ารื่นรมจริงตามคําบอกเล่าเพราะสถานที่นั้นเป็นเนินสายอัน ง, งดงามมีต้นมะม่วงขึ้นเป็นป่าทึบและมีกิ่งและใบปิดกั้นเป็นหลังคาอยู่เบื้องบนข้าพเจ้าสามารถเห็นกระท่อมเล็กๆของพวกสัญญาสีตั้งอยู่เป็นระยะในระหว่างต้นมะม่วง ข้าพเจ้าตรงไปอย่างสัญญาสีตนหนึ่งซึ่งกําลังนั่งบําเบลไฟด้วยไม้จันอยู่หน้ากระท่อมแล้วถามว่าท่านผู้สรงพระรข้าพเจ้าเป็นผู้เดินทางไกลมาถึงอารามแห่งนี้ในเวลาใกล้ค่ําตั้งใจจะหยุดพักผ่อนที่นี่ถ้าท่านไม่ขัดข้องข้าพเจ้าใคร่จะขอพักด้วยสักหนึ่งราตรีสัญญาสีฉลาดเจ้าของกระท่อมตอบ โดยไม่มองดูข้าพเจ้าว่าเชิญท่านไปเจรจากับสัญญาสียมัทธคณีหัวหน้าของเราที่กระท่อมโน้นเถิดว่าแล้วก็ชี้มือไปอยังกระท่อมใหญ่หลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนเดินทรายสูงกว่าเพื่อนเมื่อเดินทางไปถึงกระท่อมนั้นก็ได้พบกับสัญญาสียมทธคณีกําลังนั่งบูชาไฟายอยู่เช่นเดียวกันเขาเป็นนักพรตเลามีผม และหนวดเคราสีขาวมีตัวเปล่าปกปิดอวัยวะเบื้องล่างไว้ด้วยผ้าย้องฝาดผืนเล็กๆนั่งครุกที่เท่าบริกรรมอะไรพุ่พมพำอยู่เมื่อได้ยินเสียงข้าพเจ้าเดินมาใกล้เขาจึงลืมตาขึ้นแล้วก็จ้องมองข้าพเจ้าด้วยดวงตาอันคมกริบค้ายกับตาเหี่ยวท่านเป็นใครมาจากไหนหรือนักพศรา ถามด้วยเสียงเครีย ด, ยดข้าพเจ้าเป็นสมณะสาคพยะบุตรเดินทางมาจากกลุ่มราชครืตั้งใจจะขออนุญาตท่านพักผ่อนในอารามนี้สักหนึ่งราตรีก่อนจะเดินทางต่อไปยมทัทธคณีหยิบบุลโคแห้งใส่ไฟสวดคาถายกมือไหว้และตอบว่าท่านเป็นนักบวชภายนอกเป็นสิทธิของศาสดาต่างองค์ ไม่สามารถจะพักที่ดีได้ขอเชิญท่านหลีกไปสแสวงหาที่พักแห่งอื่นตามประสงค์เถิดว่าแล้วก็สวดบริกรรมคาถาต่อไปจยมเาาทม ท่านผู้ส่งพลศข้าพเจ้าอย่างกล่าวต่อไปแม้ข้าพเจ้าจะเป็นนักบวชในศาสนาอื่นข้าพเจ้าก็ยังเป็นนักบวชผู้สละแล้วซึ่งโลกียวิสัยสแสวงหาความสุขสงบใจเช่นเดียวกับท่านวัวก็ย่อมไปสู่ฝูงวัวช้าง ย่อมไปสู่ฟูงช้างสมณะก็ย่อมไปหาสมณะเป็นของธรรมดาขอได้โปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าพักอยู่ด้วยเถิดท่านผู้ทรงโรดเพราะเวลานี้ก็จวนค่าแล้วสัญญาตีฉลาลืมตาขึ้นมองดูข้าพเจ้าด้วยสายตาแสดงความไม่พอใจแล้วกล่าวว่าอาลามของเรามีกฎอยู่ว่าจะไม่ยอมให้นักบวชภายนอกเข้ามาพักอาศัย เป็นอันขาดยาสีผู้เป็นประมุขอารามนี้ breaker? ในอดีตได้บัญญัติกฎข้อนี้ไว้เพราะอาศัยสรุติที่ได้ฟังมาจากพระพรหมผู้เป็นเจ้าของเราอีกต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นกฎข้อนี้จึงไม่ใช่กฎของมนุษย์แต่เป็นกฎของพระพรหมผู้เป็นเจ้าทีเดียวเมื่อได้ฟังคําบรรยายของสัญญาสีชาลาข้าพายเจ้าก็ทราบได้ทันทีว่านักบวชเหล่านี้ ถือพระพรมเป็นใหญ่บำเพ็ญตะบะเพื่อเข้าถึงพระพรมต่อไปอีกข้าพเจ้าจึงถามว่าท่านผู้ส่งพระข้าพเจ้าได้ทราบมาจากฤาษีเวทอันเก่าแก่ว่าพระพรมผู้เป็นเจ้าทรงเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงอยู่ชั่วนิรันดรไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดทรงเป็นผู้สร้างสิ่งทั้งปวงอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงทีเดียวสมณะ ท่านเข้าใจถูกต้องแล้วพระพรหผู้เป็นเจ้าสร้างสิ่งทั้งปวงรวมทั้งมนุษย์และสัตว์รวมทั้งข้าพเจ้าและท่านด้วยเมื่อสัญญาสีฉลาเปิดโอกาสให้เช่นนั้นข้าพเจ้าจึงพูดขึ้นว่าถ้าพระพมผู้เป็นเจ้าสร้างข้าพเจ้าและท่านขึ้นมาก็หมายความว่าข้าพเจ้าและท่านต่างก็เป็นบุตรของพระพมด้วยกันมีพระบิดาองค์เดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ควรจะอยู่ร่วมสถานที่กันได้ข้าพเจ้าก็น่าจะพักอยู่ในอารามของท่านได้สัญญาสีชาลานั่งนิ่งจ้องหน้าของข้าพเจ้าอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวขึ้นว่าเราทั้งสองเป็นลุดของบิดาองค์เดียวกันก็ตาม แต่ว่าท่านเป็นบุตรเนรคุณไม่เคารพนับถือองค์พระบิดาจึงไม่สมควรที่จะอยู่อาศัยในอาลามของพระองค์ท่านผู้สง่งผลท่านอาศัยเหตุผลอะไรลึกจึงกล่าวยืนยันว่าเข้าไปเจ้าเป็นลูกเนรคุณไม่เคารพนับถือองค์พระบิดาก็ทําเป็นสมณะสากยบุตรสาวกของพระสมณะโคดมไม่ใช่หรือฉัญญาสี ยามาทัคคณีย้อนถามถูกแล้วข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระสมณะโคดมเป็นผู้เลื่อมใสและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสมณะโคดมแต่ในเวลาเดียวกันข้าพเจ้าก็ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระพรมผู้เป็นเจ้าด้วยปฏิบัติอย่างไรล่ะยามาทัคคณีถามด้วยท่าทางประหลาดใจข้าพเจ้าขอถามท่านก่อนว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมเกิดขึ้นและดำเนินไปตามพระบัญชาของพระพมผู้เป็นเจ้าใช่หรือไม่ใช่ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นเองและเป็นไปเองนอกเหนืออำนาจของพระองค์ถ้าอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าดีหรือชั่วถูกหรือผิดย่อมเกิดขึ้นตามอำนาจการดลบันดาลของพระพ ผ, ผู้เป็นเจ้า โคอันเป็นสัตว์มีคุณค่าต่อมนุษย์เป็นประ จ, จักษ์โครดแก่มนุษย์ก็เกิดขึ้นเพราะการดุลบันดาลของพระพรมเสือซึ่งเป็นสัตว์อันตรายต่อมนุษย์ก็เกิดขึ้นเพราะการบันดาลของพระพรมองค์เดียวกันใช่หรือไม่หรือหากว่าพระองค์สร้างเฉพาะสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์สุขแก่มนุษย์เท่านั้นพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ้น ที่มีคุณค่าแก่มนุษย์ทั้งสิ่งที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์ย่ามทักขันียืนยันดีละท่านผู้ทรงพรโปรดจําคําของท่านไว้ให้ดีเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากพระพรมผู้เป็นเจ้าพระพุทธศาสนายังเป็นหลักคําสอนแบบหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วดํารงอยู่ก็เกิดจากการสร้างสรรค์ของพระพรมผู้เป็นเจ้าเหมือนกันใช่หรือไม่ นักพจฉ์าคงจะจนต่อเหตุผลของข้าพเจ้าหรืออย่างไรไม่ทราบปรากฏว่าเขาไม่ได้ตอบปัญหาของข้าพเจ้าเอาท่อนไม้จันขนาดเล็กเขี่ยไฟเล่นอยู่ไปมาแม้ข้าพเจ้าจะถามย้ำอีกถึงสองครั้งก็ยังไม่ตอบข้าพเจ้าจึงกล่าวต่อไปว่าท่านผู้สมรสเอาละข้าพเจ้าจะถือเอาการนั่งของท่านเป็นการตอบรับว่า พระพุทธศาสนาก็เป็นผลงานสร้างสรรค์ของพระพรมเหมือนกันก็เมื่อพระองค์ทรงสร้างพระพุทธศาสนาขึ้นพระองค์ก็คงมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในพระไทยการที่พุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ก็แสดงว่าพระองค์ยังทรงพิทัก์รักษาอยู่การที่ข้าพเจ้าหันมาเลื่อมใสและบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะคานดนบันดาลของพระองค์ เมื่อข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามความบุ่งหมายของพระพมผู้เป็นเจ้าอย่างคล่งครัดเช่นนี้จะเรียกข้าพเจ้าว่าเป็นลูกเนรคุณได้อย่างไรนักพจรายกมือขึ้นรูปหนวดเขาอันขาวโพรนจ้องตาจับอยู่ที่กิ่งมะม่วงเบื้องบนเป็นเชิงคิดแล้วก็พูดขึ้นว่าจิ่งของท่านข้าพเจ้าลืมคิดถึงข้อนี้ไปพระพ ผ, ผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่ และล้าลึกเกินวิสัยของมนุษย์ที่จะเข้าใจได้พระองค์สร้างความดีแต่พระองค์ก็ส่งสร้างความชั่วขึ้นมาเป็นของคู่พระองค์ทรงสร้างนักปราดแต่ก็ทรงสร้างมหาโจรขึ้นมาด้วยพระองค์ทรงสร้างคนที่เคารพ บ, บูชาสรรเสริญพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่ไววยเว้นที่จะสร้างคนบางคนขึ้นมาเพื่อให้ด่าพระองค์เองข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าแล้ว เยามาทาณีก็สายศีษะอย่างเนือ่อนเอาละท่านสมณะไหนๆท่านก็เป็นบุตรของพระพรหมเหมือนกันแม้จะเป็นนักบวชนอกศาสนาก็เป็นไปตามการบันดาลของพระพรหมนับว่าท่านได้ปฏิบัติตนตามความมุ่งหมายของพระองค์เหมือนกันข้าพเจ้าจะอนุญาตให้ท่านพักในอารามของเราตามประสงค์ทางด้านโน้นมีกระท่อมว่างอยู่หลังหนึ่งเชิญท่านเข้าไปพักผ่อนตามสบายเถิด ข้าพเจ้าขอบใจนักปรตชาลากล่าวคำอำลาแล้วก็เดินไปพักพร อ, อย่างกระท่อมว่างหลังนั้นเมื่อวางบาทและจีวรไว้ในที่อันสมควรแล้วข้าพเจ้าก็นั่งน้อมใจเลิกถึงพระบรมศาสดาเปล่งวาจาสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแต่เพียงเบาๆแล้วก็สำรวจจิตตรวจตราดูกิจวัตรและการรักษาศีลของตน ตลอดวันนั้นว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องบ้างเมื่อพบว่าไม่มีอะไรเสียหายก็เกิดบุญญาปิติขึ้นในใจจากนั้นก็เอ็นกายลงนอนแต่แข่งข้างขวาเอาเท้าเหลื่อมเท้าตามแบบสีหายสยาตตั้งใจจะลุกขึ้นบนเพียเพียนในต้นปัจิมยามท่านผู้มีอายุขณะที่ข้าพเจ้ากําลังจะก้าวสู่ความหลับนั้นเอง ข้าพเจ้าก็ต้องสะุ้งตื่นและผลลุกขึ้นนั่งเพราะได้ยินเสียงใครคนหนึ่งมายืนร้องเรียกที่หน้ากระท่อมข้าพเจ้าเอามือขยีน้ในตามองฝ่าฝ า, ฝามืดออกไปทางต้นเสียงก็พบภาพชายแก่ศีรษะขาวโพลนหนวดเครารุ่มร่ามยืนอยู่ที่ประตูกระท่ม ผู้มีอายุเมื่อทราบว่าแขกนนยามวิกาลเป็นสัญญาสีเยมาทักขณีข้าพเจ้าก็ออกปากเชื้อเชิญให้ท่านเข้ามานั่งข้างในนักปรชาลาวางไม้เท้าไว้ข้างฝากระท่อมปูแผ่นหนังเสือลงบนพื้นแล้วก็นั่งลงด้วยท่าทางอิดโรยแบบคนแก่ข้าพเจ้ายังติดใจในคำพูดของท่าน ตอนมาขอพักอาศัยอยากจะสนทนาปลาศัยด้วยจึงมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะสนทนากับท่านเหมือนกันข้าพเจ้ากล่าวตอบเพราะนานๆจึงจะได้มีโอกาสพบและสนทนากับนักพรตผู้เจริญด้วยวุต ธ, ธิและวิทยาวุฒิอย่างท่านแม้เราจะแตกต่างกันโดยเพศพันธุ์และศาสนาแต่เราก็เป็นสมณนะ ผู้เว้นจากบาทอากุศลและภาวะกังวลทางโลกีเหมือนกันบางทีเราอาจจะได้แลกเปลี่ยนความรู้อันมีค่าต่อกันและกันท่านมีอะไรจะสนทนาไต่ถามข้าพเจ้าก็ขอเชิญท่านถามเถิดขอบพระคุณท่านนักพศฉลาดตอบมีแววพอใจปรากฏอยู่บนใบหน้าอันเยวอยนจากการของผ้ากาสาวพัด ข, ของท่านข้าพเจ้า ขอจะทายได้ว่าท่านเป็นพระสมณะสากยบุตรบวชอุทิศพระสมณะโคดมใช่หรือไม่เมื่อข้าพเจ้าตอบว่าใช่สัญญาศีชลาก็ากล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าได้สดับมามากเกี่ยวกับกิตติคุณของพระสมณะโคดมพระองค์นั้นแต่ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสได้พบพระพักและได้ฟังคําสั่งสอนของพระองค์เพราะข้าพเจ้าแก่งอมมากแล้ว ไม่มีกาลังพอที่จะเดินไปเฝ้าพระองค์ได้อีกประการหนึ่งข้าพเจ้าเองก็ยังไม่แน่ใจว่าคำสั่งสอนของพระองค์จะถูกต้องดีเหมือนคำสั่งสอนของเราซึ่งบรรดาฤาษีมุนีตะปางบันได้ไ ด, ดไดส ด, ดับรับฟังมาจากปรมมันโดยตรงหรือไม่เมื่อได้ฟังคาพูดตอนท้ายของนักพจชรฉาข้าพเจ้าก็ทราบได้ทันทีว่า ท่านพูดด้วยอำนาจทิฏฐิมานะด้วยความเห็นว่ารัตธิของตนย่อมดีกว่าถูกต้องกว่าสูงส่งกว่ารัตธิอื่นเสมอข้าพเจ้าไม่มีความตั้งใจที่จะแข่งดีกับสัญญาสียมทักกณีในขณะนั้นแต่อยากจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรัตธิของท่านก่อนจึงกล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงพจน์ข้าพเจ้าเองขอสารภาพว่า ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจน้อยในลัติอันเก่าแก่ของท่านและไม่ค่อยมีโอกาสได้ศึกษาเมื่อยังอยู่ในวัยพรมจารีควรที่จะได้ศึกษาชีวิตของข้าพเจ้าตอนนั้นก็ระหกระเหินเนื่องจากเกิดในครอบครัวที่ยากจนเขินใจเมื่อบวชในพระธรรมวินัยนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งหน้าศึกษาและปฏิบัติตนแบบในลัธินั้นฝ่ายเดียว นับว่าเป็นลาบของข้าพเจ้าที่ได้มาพบกับท่านในคืนนี้ถ้าท่านไม่ขัดข้องข้าพเจ้าอยากจะถามปัญหานี้กับในรัติของท่านเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับรัติของข้าพเจ้านักปรัชลากล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่า เชิญท่านตามสบายท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ายินดีจะสาธยายให้ฟังตามความรู้ความสามารถข้าพเจ้าขอบคุณเย่ามาทักคนีแล้วถามปัญหาแรกว่าข้าพเจ้าอยากจะทราบบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวท่านเองท่านสละคารวะวิสัยออกดำรงชีวิตบริสุทธิ์เช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดนั่งพุทธานั่งนิ่ง เป็นเชิงคิดทบทวนคำจำอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าเออนานมากทีเดียวท่านภูมีอายุตั้งแต่ขพเจ้าอายุสิบปีทีเดียวเวลานี้ขพเจ้าก็อายุ8ปดสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นขพเจ้าจึงอยู่ในสมณะเพศมาแล้วไม่น้อยกว่าหกสิปีท่านอาจจะแปลกใจได้ว่าทำไมขพเจา้าจึงสละโลกตั้งแต่ยังนุ่มน้อยเช่นนั้น เพราะตามปกติกุลบุตรจะออกสู่สมณบิัยก่อนต่อเมื่อล่วงเขไวชลามีภรรยาและบุตรสืบสกุลเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วตามหลักของพรมนูบุุษจะต้องผ่านระยะทั้งสี่ของชีวิตคือพรหมจารีคฤหัตวนปัฏและสัญญาสีแต่เนื่องจากขาพเจ้าเป็นคนวันนะพรามจึงกระโดดข้ามระยะคฤหัตและวนปฏ มาอย่างสัญญาสีเลยเหตุที่ข้าพเจ้าละคารวาดวิสัยตั้งแต่หนุ่มน้อยก็เพราะมีเหตุหนาเศร้าใจเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้ากล่าวคือในตอนนั้นเทพเจ้าเบื้องบนได้ลงโทษหมู่บ้านของเราโดยส่งผูดผีปีศาจร้ายลงมาค่าชีวิตของมนุษย์บิดาและมารดาของข้าพเจ้าได้ถึงแก่กรรมบรณกรรมลงในเวลาไล่เลี่ยกัน อย่างความเศร้าและความสังเวชสะระดใจและความเบื่อนหน่ายในโรคให้เกิดแก่ข้าพเจ้าอย่างมากมายข้าพเจ้าจึงได้ตัดสินใจออกบวชเป็นสัญญาสีตั้งแต่บัดนั้นรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีส่วนคล้ายคลึงกับชีวิตของข้าพเจ้ามากข้าพเจ้ากล่าวเสริมมีข้อแตกต่างอยู่บ้างตอนที่ออกสู่สมณเพศ ท่านออกเพราะความสังเวชสลิศใจออกด้วยตนเองแต่ข้าพเจ้าออกเพราะได้ฟังคําสั่งสอนของผู้อื่นแต่ข้าพเจ้าอยากจะถามอีกต่อไปว่าในการถือเพศเป็นสัญญาสีนั้นมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างนักพุทธามองดูหน้าข้าพเจ้าอย่างยิ้มยิ้มแล้วกล่าวว่ารู้สึกว่าท่านไม่มีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรม อันเก่าแก่ของเราเสียเลยแต่เอาละเมื่อท่านไม่รู้ข้าพเจ้าก็จะเล่าให้ฟังข้าพเจ้าไม่รู้จริงๆเพราะไม่เคยเรียนมาก่อนข้าพเจ้ายืนยันเมื่อตัดสินใจสละโลกแน่นอนแล้วข้าพเจ้าก็ไปหาครูผู้ประกอบพิธีและเชิญพราหมณ์ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านของตนและใกล้เคียงมาเป็นสักขีพยาน ข, ข้าพเจ้า ต้องเตรียมผ้ากาสาวพัด ส, สีเหลืองแก่มาไว้ถึงสิบผืนสี่ผืนสำหรับของตนครองเองอีกหกผืนสำหรับให้เป็นทานแก่พราหมณ์ข้าพเจ้าต้องเตรียมทำไม้ไผ่เป็นไม้เท้าซึ่งมีข้อถึง7ข้อมีความยาวเท่ากับความสูงของข้าพเจ้าเองหนึ่งอันสำหรับถือติดตัวไปทุกคนทุกแห่งข้าพเจ้าต้องเตรียมหาแผ่นหนังเสือดาวเสือเหลืองหรือเสือโคร่งหนึ่งผืน สำหรับใช้ปูดั้งและนอนจัดหารองเท้าทําด้วยไม้และหม้อทองเหลืองสําหรับตักน้ําใช้น้ําดื่มอีกหนึ่งใบไม้เท้าหนังเสือและหม้อทองเหลืองนี้จัดว่าเป็นบริขารประจําตัวของสัญญาสีโดยตรงขาดเสียแต่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าเสียหายหรือสูญหายไปต้องรีบหาใหม่มาแทนที่ทันทีตลอดระยะเวลาเจกว่าปี ในสมณเพศ น, นี้ขพเจ้าเองต้องเปลี่ยนบริการหลายครั้งทีเดียวเมื่อเตรียมบริการหลักสามอย่างนี้เป็นที่เรียบร้อยก็ต้องจัดหาเครื่องประกอบที่จะทําพิธีอีกเช่นเหรียญเงินหรือทองแดงดอกไม้ของหอมไม้จันและสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือปัญจคาวีปัญจค า, าวีก็คือส่วนผสมของวัตถุ5้าอย่างที่ได้จากวัวคือนมสด นมข้นเนยใสมูลโคและปัสสาวะโคถือว่าเป็นของสักศิธิ์ที่ทำให้ผู้บริโภคบริสุทธิ์ได้เมื่อวันพิธีมาถึงข้าพเจ้าก่อจะเข้าสู่ประามพิธีท่ากลางครูและพล่ามผู้เป็นผู้ใหญ่พิธีเริ่มต้นด้วยครูผามประกอบพิธีบูชาไฟแล้วก็สวดคาถาและข้อแนะนำต่างๆเกี่ยวกับชีวิตสัญญาสีด้วยเสียงเบาๆที่หูของข้าพเจ้าเสร็จแล้ว ผู้พราม์ก็จะสั่งให้ข้าพเจ้าเรื่องผ้านุ่มห่มแบบครื่องหันออกให้ใช้ผ้ากาศวพัพธ์ของสัญญาศีแทนต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ทำลายสายสะพายของพราหมณ์และกนจุกบนศีรษะอันเป็นเครื่องหมายของพราหมณ์ออกเสียแสดงว่าข้าพเจ้าไม่ติดอยู่ในชาติชั้นวรรณะใดๆอีกต่อไปแต่เป็นสัญญาศีอันสูงส่งกว่าเพศพันใดๆ ในระหว่างที่ขพเจ้ากระทำเหล่านี้ครูพราหมณ์ก็สวดมนต์ต่างๆประกอบเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีต่อจากนั้นขพเจ้าก็รับเอาไม้เท้ามาถือไว้ในมือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งถือหม้อน้ําซึ่งมีน้ําเต็มหนีบแผ่นหนังเสือไว้ใต้แขนข้างหนึ่งดื่มปันจักคาวีสามครั้งแล้วดื่มน้ําจากหม้อน้ําบ้างเสร็จแล้วครูพราหมณ์ก็สอนให้ขพเจ้าสวดมน บางบทก็เป็นอัจจบธีตั้งแต่นั้นมาข้าพเจ้ากรอบกลายเป็นสัญญาสีไปจนตลอดชีวิตพิธีทั้งหมดจบลงด้วยการให้ของทายาทานต่างๆแก่ครูพราหมณ์และพราหมณ์ผู้เป็นสัก ข, ขีพยานทั้งหลายนักพฤชราแสดงอาการเหนื่อยหอบเล็กน้อยหลังจากเล่าพิธีอุปสมบทเป็นสัญญาสีของตนจบลงแล้วข้าพเจ้าต้องขอโทษที่ได้ทําให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อย ข้าพเจ้ากล่าวขึ้นเออไม่เป็นไรหรอกท่านสมณะสากยบุตรข้าพเจ้าไม่ เ, เหนื่อยอะไรเลยท่านอยากจะทราบอะไรก็ขอเชิญถามเถิดข้าพเจ้าอยากจะถามปัญหาสําคัญเลยทีเดียวคืออยากจะทราบจุดประสงค์สูงสุดในพัติของท่านคืออะไรอ๋อก็คือการที่อัตมันของแต่ละคนเข้าไปรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับอัตมันใหญ่หรือปารมาตมันแล้วก็เสวยสุขชั่วนิรันดรในปารมาตมันนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงปารมาตมันนั้นมีอะไรบ้างข้าพเจ้าถามต่อไป